น, นัน จ, าจะาชนะเนว่าสัญญานาสัญญาทะเวทยิที่นิโรธอาศัยตรงนี้คือคือไม่ไม่ต้องเมีอะไรไม่ต้องเมะไรเหลือไม่ต้องมีอะไรเหลือพระนุรุทธะอันนี้ก็จํามานะจํามาพระเจ้าที่ผ่านแล้วตัง้งแต่วันเป็นเดือนหก วรรสา6ของพระพุทธเจ้าของเราอายุเท่าไหร่อายุ35ปี30 35ปีใช่ไหมพระพุทธเจ้านิพพานตั้งแต่อายุ35ปีแต่ไปปริบินิพพานอายุ80ปีนับตั้งแต่การนิพพานของพระพุทธเจ้า45ปี ปรอยู่ในกองโลภกองนามเปิดจานเกิดปัญญาเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดอะไรต่างๆก็กองโลภกองนามนี่แหละตัวศาสนาคือกองโลภกองนามโลภทํานามทําคือคนเรานี่แหละคนเป็นๆที่เคลื่อนไหวไปมาเป็นอยู่มันโกรธมันโลภมันหลงเป็นอยู่แล้วมันก็ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเป็นอยู่เหมือนกันมันเคยทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ได้เหมือนกัน มันเคยสุกมันก็ไม่สุกได้เหมันกันมันเคยหลงก็ไม่หลงได้เช่นกันมัน ก, กน็แก้กันไปแก้กันไปมันเป็นการเกิดแก่เจ็บตายมันก็ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เช่นกันมันก็จบลงตรงนี้เช่นกันในการปฏิบัติธรรมเอาของกิงมาสอนเอาของกิงมาเรียนลูกไม่ใช่เพ้อฝันอ่าเห็น ความหลงก็เห็นหลงจริงๆแล้วก็ไม่ีสติเข้าไปเห็นความหลงจริงๆเห็นความทุกข์เห็นความสุขอะไรต่างๆแต่ว่ากำลังของสติมันไม่มากจนเป็นมหาสติมหาลูกนั่นแหละพอใหญ่ใจความก็คือพวกเรามาขยันลูกกันกเรียกว่าภาวนาวิปัสสนาภาวนาเกิดจากความขยันลูกมากๆจนเกิดการลูกแจ้งอย่า เขาก็เรียกว่าอารมณ์ของความรู้แจ้งไปนั้นไฟาฉายฐานแรงน้อยก็เห็นเห็นทางน้อยๆถ้าไปแรงใหญ่ก็เห็นทางใหญ่ๆเกีย่ยวกับความแจ้งของเราที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้ตนเองถ้าเห็นความหลงจะเนี่ยจเห็นแจ้งไหมหรือเห็นครื่อง ก, ก, กลางๆแต่ความทุกข์เนี่เห็นแจ้งไหม ทำให้แจ้งในความทุกข์ได้ไหมหรือว่าให้ความทุกข์คล่องงำจนมืดให้ความหลงคล่องงำจนมืดแต่แจ้งในความหลงจะแจ้งในความทุกข์ได้ไหมต้องได้มันต้องได้นี่นี่คือของที่เราทำได้แต่มันหลงนี่เห็นมันหลงแจ้งแจ้งให้มันหลงชัดเห็นเลยพูดอ อ, อกมาอืออมไอย่างเนี้ยวิปัสสนา เอาละนะวันนี้ก็พูดสู่กันฟังแล้ววันนี้จะมีอาจารย์มหาไหลมากเราก็อาจจะมาฉันเพดมาร่วมกันท่านอาจารย์มหาไหลอาจาาอาจะม า, า, าทำวัดหลวงพ่อเป็นธรรมเนียมของศาสนาพุทธของเราท่านก็มาทุกปีเราเราก็มากราบทำวัดท่านเช่นกันช่วยโอกาสแทนที่เราจะไปหาท่าน ที่โน่น <c oughs> น้ำเพรานาเชื่อแต่เราก็โชยโอกาสที่นี่เลยไปวัดเราเลยมาทำวัดกับท่านตั้งภิกษุสามนเณรที่วาจกวาศิกามันเป็นบุญก่อนน้อมเก้า ก, ก้มกราบผู้หลักผู้ใหญ่ มันมีอายุวันลนะสุขภัละไม่แข็งกระด้าง <c oughs> อาจจะมีการฉันเพลนทำอาหารถวายเพจแล้วอาจจะนิมนต์ให้ท่านเทศให้พวกเราฟังนะะอันนี้ก็พอกราบพระพร้อมกันระรหังสัมมาสัมพุโตพุทวา โอตังภะคะวันตังอภิวัติวากาโตภะวะตาธัมโมธัมมังนะมะจาริยปาติปันโนภะคะวะโตสร้างจัตสรงโกสร้างธมมา